วัดจ ก, ก็เริ่มทยอยเข้ามาสู่วัดป่าสุกโ ต, โตส่วนหนึ่งก็ทปนผู้ปกครองพ่อแม่อาจารย์ลูกศิษย์เตรียมที่จะบวชสามนเณรน้อยพู้นี้ หากเรดูร้อนเมื่อกี้มีลมกันโจกมามันจะร้อนหรือจะฝนหรือจะหนาวไม่แน่ใจเราจะมีกลุ่มมารวมกันเราก็ไปเดบวตาทารนประจำเดือนเจวันก็เป็นผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็เป็น ในงานของกระทรวงสาธารณสุขรว่าช่างนี้ปิดเติมก็จะมีครูบาอาจารย์ใช้โอากาสปิดเติมมาเจริญสติมาฝึกสติทำให้มันมีกำลังจิตใจมีกำลังมีแรงใจที่เรา ที่จะไปชกต่อสู้จะไปสู้กับปัญหาที่มันมีมากมายเหลือเกินสำหรับสังคมทุก ว, วันนี้เมื่อเรามาเข้าสู่วัดป่าสุขโขจะจริงแล้วก็มีกิจกรรมมากมายตั้งแต่สารหน้าเข้ามา จงต้งนั่งอยู่ที่ห อ, อไต้แล้วก็ออกไปอีกเข้าป่าโดนจงกรมตั้งจงังหวะไปดูตามกันหลังป่าหมายถึงว่าด้านหลังมีป่าช้าไปทางนั้นมันก็มีกิจกรรมเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องของชาวบ้านหรือคนที่เห็นว่าวัดมี ศัตสาราสิ่งมีอาหารพืชกินได้ไม้เป็นยาก็เข้ามาดูนะพราจะมีอะไรบ้างที่จะนำไปกินไปใช้เอาไปขายนะอย่างเช่นวันนี้ <c oughs> มีพระรูปหนึ่งท่านเดินเมื่อสักครู่เนี่ยนะออกกำลังเล่าวัดไปเจอ คนตีพึ่งจะ บ, บานก็มาตีพึ่งกุมหัวให้มองพระตนกณนาตาตื่นมาเลยนะมีคนก็ามาตีพึ่งเอาควายเอาวาจุดเป็นควันลมรังพึ่งกำลังมีรตัดให้รังพึ่งหลนลงมา การวิ่งมาพอวิ่งไปดูนในทีมก็ไม่อยู่แล้วล่ะก็มีกิจกรรมมากมายเดี๋ยวพวการหลีกเล่นในป่ามันก็ดาบสองคมเหมือนกันสาหรับพระใหม่ 1. ปฏิบัติธรรม 2. ปฏิบัติกรรม 1. นึ่พยายามทวนกระแสะนิสัยความเคยชินเก่า อีกอันนึงก็คือไหลตามกระแสะ <c oughs> ือเติดอะไรมามันก็จะไหลไปเราก็จึงนะไม่ให้ <c oughs> พื้นที่วัดป่าสุตโต <c oughs> เป็นพื้นที่ที่สูญเปล่าเราพยายามแสดงออกคำว่าแสดงออกก็คือการคิดการพูดการทำ ให้เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านหรือเบื้องต้นให้เป็นความรู้ตัวความรู้เนื้รู้ตัวจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาให้ศีลมันจเจริญยิ่งๆขึ้นไปศีลคือความเป็นปกติไปในจิตใจศีมจลมาจากคำว่าจีลาคือก้อนหิน ก้อนหินมันไม่หวั่นไหวสายลมแสงแดดฝนจะตกฟ้าจะร้องคุณสมบัติก็คือหนักแน่นกับเย็นจิตใจคนที่มีศีลก็จะไม่หวั่นไหวเพราะว่ามีนินทามีสันเสริญมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มันจะยังปกติอยู่ ในว่าจิตใจมีบ้านมีที่อยู่มีมาตรฐานก็คือมาตรฐานของจิตต้องปกติมันปกติมันมีศีลมันจะเกิดความงามเป็นของแถมความงดงามจากภายในมันจะมีคุณธรรมอีกมากมายเหลือเกิน ความอดตนอดกลัน้น <Yeah. S 1> เป็นคุณธรรมความอดตนความซื่อสัตย์ความข <Yeah. S 1> ยันความประหยัดอายชื่อกลัวบาปเทวธรรมต่างๆหรือว่า <Yeah. S 1> มีเมตตากราุณาเมตตาเวกขา <Yeah. S 1> มันมีขนาดนั้นเลย มาสู่ความเป็นปกติคือนสู่ธรรมชาติเพรา ะ, ะนั้นกล่ว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมดาธรรมดาที่มันมีอยู่ในตัวเราทุกคนเรียกว่าสัจธรรมเป็นคำสอนของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแลว้วมาถึงทุกวันนี้ก็มีวัดวาารามต่างๆในประเทศไทยสองหมื่นกว่าวัด ประสงค์ก็สามแสนกว่ารูปเข้าๆออกๆบุดบุดสึกๆึกกันมีกุลบุตรกุลธิดาต่างๆมากมายภิกษุภิกษุณีอุบาสกุบาสิกาภิกษุณีเดี๋ยวนี้ก็จะมีของทางศีลลังกาทางไต้หวัน เรื่องทางประเทศจีนก็ยังพอหลงหลงอยู่แต่ว่าเป็นของหมหาญาณของเทราวัาก็ถือว่าสูญพันธุ์ไปแล้ว <c oughs> ก็มีแม่ชีะมาแทนผู้หญิงเข้าวัดนี่ <c oughs> ถ้าเป็นการบวชนี่ยาก <c oughs> สมัยพุทธกาล <c oughs> ก็มีแม่น้า <c oughs> ก็คือนาง มารับพระชา้ับดีกุฏมีก็อยากจะบวชเห็นว่าการบวชเนี่ยมันทำให้ชีวิตมันเปลี่ยนไปมีความสุขเข้าถึงศีลถึงธรรมสะมารถเดินสู่ประตูของพระนิพพานเะข้าประตูก็อาศัยการบวชเนี่ยเเป็นอุบายทูลนะขอบ้านนอนว่าน น, นก็บอกว่า ไม่ได้หรอกถามว่าเจ้าก่อนดีกว่าแต่ว่าต้าถามความรู้สึก ข, ของเราจริงๆแล้วนะก็อยากให้บวชอยู่คิดว่าน่าจะบวชได้นะแต่ว่าเดี๋ยวไปถามพระุธองค์ก่อนดีกว่าจิตใจก็อยากให้ผู้หญิงบวชแต่ว่าก็เกรงคำตอบของพระุธองค์ก็ ยังไม่ได้รับฟังก็เลยไปกราบทูลถามพระองค์ก็บอกว่าไม่ได้หรอกถ้าอยู่กันมากๆเดี๋ยวยุ่งจลิตนิใจต่างๆเอาแต่บุรุษเถะแต่ผู้ชายพระนันก็เลยกราบทูล ถามย้ำว่าผู้หญิงสามารถบรรลุธรรมได้ไหมองค์มสมเด็จสมมาสัมุเจ้านะผู้ทรงก็บอกว่าเออมันก็ได้แล้วแหลนะอา้าทางงั้นก็น่าจะบวชได้นะนางมหาบรรชารบดีกุฎ า, ามีเพราะว่ามนะุง อยากจะทำพระนิพพานให้แจ้งอัตทาเช่นนั้นเธอก็รับผิดชอบไปก็แล้วกนะันรับผิดชอบไปแต่ว่านำกรุธรรมแปดประการไปบอกด้วยนะกรุธธรรมแปดประการนะเช่นไม่ว่าจะบวชมากี่ปีก็ตาม รู้ธรรมะระดับไหนก็ตามพระบวชแม่วันเดียวก็ห้ามสอนกันนะบุรุษุวชเพียงวันเดียวเนี่ยสอนไม่ได้เลยเข้มข้นมากวินัยทุกๆสิบห้าวันต้องมาขอปักมานัดลงอุโบสถต้องมีสงฆ์ตั้งสองวยัยมากมายเลือนแปดข้อและนะ พอรับรู้รับทราบเช่นนั้นแล้วก็บวช mm hmm. อย่างสนันเพเนนก็มีสมัยพุทธกาล mm hmm. เช่นสนันเนเนบัณฑิตตน mm hmm. นขอบวช mm hmm. พอบวชเสร็จ mm hmm. ก็ตามพระไปบิณฑบาตพระสารีบวชก็เดินตาม ภาษาลีบก็พูอถึงการบรรลุธรรมการเดินบิณาบาติมรรลุธรรมได้เป็นการเดินจงกรม mm hmm. การบรรลุธรรม mm hmm. การฝึกจิตฝึกใจให้มีสติ mm hmm. ก็ต้องเดินจงกรมถ้ mm hmm. างั้นเรากลับไปเดินได้ไหม mm hmm. เราอยากกลับไปเดินที่อุติที่วัด ว่าแล้วเดินหันหลังกลับไปเดินรงกลมก็เกิดการบรรลุ ธ, ธรรมขึ้นมาพระองค์ก็ทรงทราบว่าเออสาวเนธบัณฑิตเนี่ยบรรลุ ธ, ธรรมหลังจากที่พระสารีบุตรมินบาตกลับมาพระองค์ก็บอกว่อย่เพิ่งเข้าไปตอนนี้ สมณเณรบัณฑิตเป็นบนรรลุธรรมใหม่ๆจะมีคำว่าไม้จันทร์ถึงแห้งก็จะไม่ทิ้งกลิ่นอาจดินเข้าสู่สงกรามก็ไม่ทิ้งรีลาอ้อยเข้าสู่หีบยนต์จะไม่ทิ้งรสหวานบัณฑิตประสบทุกเจียนตายก็ไม่ทิ้งธรรมก็คือสมณเณรบัณฑิตนั่นแหละ ประสบทุกเจียนตายก็ไม่ทิ้งธรรมะมีการบรรุธรรมเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นไปได้นะเรื่องราวในพุทธประวัติหรือในหนังสือพระไตรปิฎกต่างๆมันก็เป็นเรื่องที่นะดูแล้วฟังแล้วเกิดกำลังใจทำให้ความศรัทธาความเชื่อมั่นขึ้นมาว่ามันยังมีอยู่จริงกนะลิ่นอายแบบนี้ มันจะเป็น 2,600 ปีที่นประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของผู้ศัต์นาโลกโดยเหตุผลว่าพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ <S <S <S เป็นพุทธมาม ก, กะสืบเนื่องมาตั้งแต่โบราณซึ่งหลายๆประเทศศีรังกาแม้ก็ทั้งอินเดียต้นตหรับเจ้าตหรับของศาสนาพุทธก็ยังไม่ใช่ป h a r เคยมีกระจัดมอญที่มีความศรัทธาเรื่มใสแล้วก็สืบทอดพอุทธศาสนาจากประเทศอินเดียก็ตั้งมาถึงเมืองไทยแต่ท้ายสุดประเทศเหล่านั้นขาดตอนในเรื่องของการนับถือศาสนาแต่ก็ยังมีการปฏิบัติกันอยู่ป ล, ปลาย แต่ของเมืองไทยในเปิดเผยนะหลายประเทศนี่ปฏิบัติก็เป็นปฏิปักิกับรัฐบาลอย่างประเทศจีนเป็นตน้นมีการรวมตัวเป็นการรวมกลุ่มรัฐบาลก็ไม่ค่อยยอมที่นี่จึงมีคนจีนนะก็มาบวชอย่างเช่นนั่งอยู่เนี่ยพระสงฆ์จีนก็มีนะพระคนจีนพระเน้นที่วัดป่าสุตัวเน้นปฏิบัตินะการยกมือ14ีเชิงว่า แต่ก็มีกิจกรรมอื่นๆมันก็กบเกลื่อนๆกันอยู่บ้างเพราะฉอเรามาอยู่ในนี้ก็ต้องจะประเด็นให้ตรงนะตรงมันตรงไหนที่เรียกว่าตรงนะอย่างท่านพาจ า, าใครมาฟังหลวงพ่อมเขียนเทศจะรู้เลยว่าท่านพูดตรงนะที่ว่าตรงก็คือไม่จะ ห, หมายถึงว่าถูกใจเรานะแต่มันตรงกับสิ่งที่เราทํา มาที่นี่เดินชงกลมเดินแต่ละเก้ากลับไปกลับมาเก้าเก้าสิบสามที่เป็นเลขขี้ผมจะได้เดินกลับไปกลับมาซ้ายทีนึงขวาทีหนึง่งอะไรมาเดินชงกลมเดินให้รู้สึกตัวเป็นการฝึกสติรู้ว่ามีการยกมือเคลื่อน14บจังหวะปริกมือตั้งขึ้นให้รู้สึกยกมือขึ้นไปให้รู้สึก อันนั้นเป็นรูปแบบเฉยๆนะที่เป็นการฝึกหัดสติที่มันมีตามสัญจรญานให้มันเป็นสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็คือสติหรือว่าตาที่3ตาในนะเปิดดูเห็นกายเห็นใจเห็ น, นการที่เป็นอาการของกายของจิตของใจนะมันแสดงออกมาทียิบเลยถ้าหลงเข้าไปมันคือทุกข์นั่นแหละ ถ้าไม่เผลอหลงเข้าไปมันมีตาในดูอยู่เราก็เห็นความจริงในตัวเราเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นจิตเห็นใจตามความเป็นจริงเห็นอาการของกายตามความเป็นจริงเป็นรูปธรรมเห็นอาการของจิตใจของเราจริงๆมันคือนามธรรมที่มีการปรุงแต่งมากมายนามธรรมที่เกิดการปรุงแต่ง ก็คือเราชอบหลงก็ไปในความคิดคิดไปอดีตคิดไปในอนาคตเด็กก็คิดแบบเด็กคนโ ต, โตโคิดแบบคนโตพระคิดแบบพระจีคิดแบบจีคนมีลูกคิดแบบคนมีลูกคนมีงานคิดคนแบบคนมีงานคนมีบ้านมีเงินก็แล้วแต่ก็คิดกันไปแบบนาน า, นาจิตตังต่างคนต่างคิดก็ถูกทั้งหมดนั่นแหละ แต่ที่สำคันก็คือถูกแล้วทำไมทุกตรงนี้สาคัญถูกแต่ทำไมมันทุกอยากมีเงินก็ได้เงินแล้วอยากมีบ้านก็ได้บ้านแล้วคิดถูกอยากมีทรัพย์ก็ได้ทรัพย์มามากมายแต่ทาไมมันทุกถึงเวลากินก็กินไม่ลงถึงเวลานอนก็นอนไม่หลับมงรวดก็ดีห้องก็สะอาดเตียงนอนก็สบาย แอร์ก็เย็นยุงก็เข้ามากัดเราไม่ได้แต่ว่าความคิดกัดทั้งคืนหน้าซีดหน้าเสียอนอนไม่หลับ mm hmm. เตียงนอนดีๆกลายเป็นเตาเราก็นอนร้อนลุ่มพริกไปพลิกมาทั้งคืนเหมือนปลาย่างตื่นขึ้นมาก็น่าดำแสดงว่าสุกดีนะกินได้แล้วมันก็เลยขาดทุนในชีวิต วัตถุหนึ่งสาบุคคลหนึ่งสล้อมหน้า ล, อล้ลอมหลังแต่ทำไมอยู่คนเดียวมันไม่สบายจิตใจไม่ผ่อนคลายมันขาดอะไรก็คือขาดกรรมฐานไม่เคยฝึกเราก็จึงมาที่นี่แหละมาฝึกกันตรงประเด็นเห็น <c oughs> กายมันเคลื่อนไหวหตามความเป็นจริงเอาจิตมาอยู่กับปัจจุบันฝึกให้มันรู้ทันปัจจุบัน ปริบมือค้างหนึ่งรู้สึกตัวข้างหนึ่งหายใจข้างหนึ่งรู้สึกตัวข้างหนึ่งท้องพองยุบข้างหนึ่งรู้สึกตัวข้างหนึ่งกระพริบตาข้างหนึ่งก็รู้การกระพริบตาข้างหนึ่งรู้กายตามความเป็นจริงไปเรื่อยๆแก้นคติใจที่จิตมันชอบตามไปกับการความคิดหลงไปกับการที่เกิดความคิดขึ้นมาแล้วก็ปรุงแต่งแล้วก็ฝึกให้มันมารู้ตัวบ้างมีสัมผัสยะรู้เนื้อรู้ตัว รู้จนกระทังมันเกิดนิสัยใหม่ขึ้นมานิสัยที่เฉลียวฉลาดเป็นไวพัพปิปฏิพาน์มันจะรู้ตัวว่ากําลังนั่งอยู่กำลังยืนยืดเดินอยู่กําลังกินกําลังขับทายกําลังทําหน้าที่ที่อยู่ตรงหน้าหน้าที่ที่อยู่ตรงหน้าสิ่งที่สาคัญที่สุดคือสิ่งที่เรากาลังทําอยู่ตรงหน้า หลงไปบ้างผิดไปบ้างไม่เป็นไรก็กลับมาใหม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเผลอหลงก็ไปไปทางตาทางหูจมูกเล่นปรุงแต่งกลับมาที่สัมผัสแต่ละขณะที่เราเจตนากระทาเรียกว่ากรรมมฐานเด็กก็ทำได้เจตนานี้ลองดูสิมีเด็กก็ก็นั่งพลิกมือรู้สึกทำได้ ดยนั่งฟังแล้วก็รู้ลมหายใจไปด้วยเนียหายใจเข้ า, ารู้สึกหายใจออกก็รู้สึกทําได้ทุกค น, นแต่ว่าระหว่างลมหายใจกับนิ้วหัวแม่มือกับมิวจิมากระทบเนี่ยให้สัมผัสตัวที่มันยาก เ, เราก็สามารถตอบได้ด้วยตัวของตัวเราเองมันคืออะไรลมหายใจระหว่างล ม, มกระทบที่ปลายจมูกมันชัดกว่าใช่ไหม ล้วนนิ้วที่มากระทบมันสัมผัสแล้วมันอยากกว่าใช่ไหมกตอบเอาเองไม่ต้องให้ใครตอบล้วนนั่งอยู่ก้นสัมผัสกับพื้นอยู่มนรู้สึกตัวหรือเปล่าถ้าเป็นนักกรรมฐานมืออาชีพนะเคยฝึกมาจนชำนาญก็จะรู้ทันทีมันเป็นการกระทบสัมผัสรู้สึกเรียกว่ากายยวิญญาณ มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจนะรูปรสกลิ่นเสียงโภชภะธรรมารมนะคนที่ฝึกสติปัฏฐานก็จะรู้ทันทีนะตอนนี้รู้สัมผัสีกายอยู่นะถ้าจิ้มทา ง, งานว่างไวจะรู้ครบนั่นแหละเรียมหาสติปัฏฐานความรูนะ้สึกตัวแตละขณะสติแตละขณะตละขณะมันก็รวมตัวกันเป็นมหาสติเงินแตละสตางค์แตละบาท จนทั้งมีเป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นล้านอย่างเงี้ยแล้วเป็นมหาเศรษฐีก็มีหลายล้านใช้เท่าไรก็ไม่หมดจะทําอะไรทําอะไรก็ไม่หมดมีเหตุการณ์ผิดเกิดขึ้นมาก็เปลี่ยนผิดเป็นถูขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเป็นได้ขนาดนั้นชีวิตของเราก็เหมือนกันทุกคนชื่อเจตีทีเจหนุนทำดี ม, ะกะมาก็มากทําบุญ ทำไม่ดีมากก็มากทำบาปทำชั่วเยคยเป็นคนอารมณ์ชั่ววูบนิดๆหน่อยก็งดงิดนิดๆหน่อยๆก็ทุกข์ใจก็เรียกว่าชั่ววูบคนรักกลายเป็นคนร้ายกันมาคนดีกลายเป็นคนชั่วเห็นไหดีกนอยู่แป๊บๆปากงดงิดโกรธอี่แล้วรักมากเกลียดมาก รักลูกมากก็อยากจะตีมากเนี่ยรักสามีมากก็ไม่อยากเจอหน้านอนด้วยกันก็หันหลังให้โอ้มันก็เป็นเรื่องน่าสงสารเลชีวิตที่เหลืออยู่มันจะขาดทุนนะฮะการมารวมตัวกันเนี่ยไม่ว่าจะบวชพระกี่วันก็เถอะไม่ว่าจะบวชเน้นหนึ่งเดือนผ้ารูดูร้อนญาติโยมผู้ปกครองต่างๆมาถึงที่นี้แล้วก็อย่าให้ทุนเปล่า คามรู้สึกตัวมีความหมายมากเคยมีอยูปีนึงไปบวชสมเณรอยู่ที่นครสวรรค์เขาหนีวันให้ไปสอนปฏิบัติธรรมพอดีจังหวัดมีสมเณรอยู่ก็ไม่ยากเวลาสอนเด็กก็สอนให้เขาสนุกแล้วก็สอนให้เขาอร่อยสอนเด็กสอนไม่ยากทำไงให้สนุกให้อร่อยตอนนั้นเด็กก็จะคล้อยตาม ทีนี้ก็มีเนนอยู่คนก็ก็ติดกลางค่ากลางคืนสามทุ่มเขยังไม่ยอมนอนก็มาคอเครียกก็เลยถามหนูป่านนี้หนูอยู่บ้านหนูยังไม่ได้นอนเหรอยังไม่ได้นอนครับอ้าวแล้วทําอะไรอยู่อ่ะก็อยู่บ้านน่ะแหะครับหาของเล่นมาเล่นแล้วทาไมหนูถึงนอนไม่หลับล่ะ ส, ส, สามทุ่มสี่ทุ่มก็จะให้หลับได้ยังไงหลวงพ่อพ่อหนูเป็นกลูแล้วชอบทะเลาะกับแม่แล้วเจ้หนูอยู่ตรงกลางแล้วก็เถียงกันแล้วหนูจะนอนหลับได้ยังไงแม่ก็เถียงทะเลาะกับพ่อพ่อก็เถียงกับแม่ทะเลาะหนูอยู่ตรงกลาง แล้วพอหนูจะไปกอดพ่อพ่อก็หันหลังให้อกอดแม่แม่ก็หันหลังให้หนูหนอนไม่ค่อยหลับชอบเถียงกันปัญหาหนี้สินทำไงจะใช้หมดแม่ก็ใช้เงินฟุ่มเฟือยแต่งตัวเก่งพ่อก็หาเงินคนเดียวก็ระบายให้พระฟังใครไม่รู้อย่าไปทะเลาะตอนหน้าลูกนะ <c oughs> พยายามให้ลูกหลับก่อนแล้วก็จงๆไปหาโมงเงีงยบๆคุยกันจับเข่าคุยกันเธอจะว่าอย่งไรฉันว่าอย่างนี้พูดคุยกันเด็กมันรับรู้ได้นอนไม่หลับ mm hmm. ก็ชวนเด็กนี่แหละเน้นี่แหละนั่งสร้างจาังหวะให้ก็นั่งสร้างจาังหวะก็หลับปุ๋ยเลย พอมันไม่คิดทนั้นนะได้เวลามันก็คืนสูธรรมชาติถึงเวลานอนก็ น, นอนถึงเวลาตื่นก็ตื่นมันก็ฝึกได้ทั้งหมดนั่นแหละนะแต่ว่าทุกคนก็ต้องฝึกตัวเองมีความเชื่อมีความศรัทธารูปแบบไหนก็ได้ที่มันมีอยู่ในโลกนี้นไปฝึกเถอะเพราะว่าทุกชีวิตถ้าหากว่าไม่ฝึกการฝึกสติปัฏฐานการเจริญสติปัฏฐานให้มันชนานาญคล่องตัว มันเป็นชีวิตที่ขาดทุนทั้งหมดนั่นแหละเกิดมาเป็นมนุษย์นะมาเมือ่อจะไปเมื่อต่อไปถ้าฝึกสตินะมาเมืดก็เป็นไปสว่างถ้าคนมาสว่างมามีศรนะัทธาแต่ไม่เจริญสติอย่างพระเนี่ยมีศรัทธาในการบทแล้วถ้าไม่ฝึกสตนะิเดี๋ยวก็เมื่อกลับไปเพราะ น, นต้องฝึกสตนะิมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาอย่าเพิ่งไปให้ค่าอย่าไปสนใจออกนอกตัว ให้เดินจงกลมเข้าไว้นั่งสร้างจางังหวะข้าไวเ้เกิดความคิดอะไรมันชวนไม่ให้ทำกรรมฐานตัดทิ้งไปก่อนอย่าไปสนใจขณะนี้เรามาศึกษาปฏิบัติธรรมกันสามเณรที่กำลังจะบวชก็เหมือนกันให้รู้ไว้เลยนะฝึกสตินี่มันทำให้เราดีวันดีคืนสามารถพึ่งใจของเราเองได้เวลามีปัญหามีอารมณ์มากระทบมันตัดมันสลัดได้ไว มันจะมีอา น, นิสงส์งอย่างนี้การปฏิบัติธรรม <Yeah. S 1> เกิดประโยชน์ทีเดียวเ <Yeah. S 1> มื่อเรามีศีลศีล <Yeah. S 1> ก็นําสุขมาให้เมื่อเรามีศีลศีลก็นําโพกทรัพย์มาให้คนจนส่วนใหญ่คือคนไม่มีศีลนั่นกันน ะ, <Yeah. S 1> นะอันนี้เป็นคำพูด <Yeah. S 1> ก็ลองไปพิจารณาดูมันใช่หรือเปล่า <Yeah. S 1> เพราะคนที่มีศีลอย่างไงมันก็รวยศีล <Yeah. S 1> น, นําสุขมาให้ศีลนําโพกษทรัพย์มาให้ศีล น, นาความเย็นมาให้ คนที่มีศีนี่จะเย็นถึงจะร้อนมันก็ไม่ใช่ร้อนหรอกมันเย็นอยู่ข้างในแต่ว่าเป็นการแสดงออกข้างนอกเฉยๆตามหน้าที่อย่างวันนี้ไปดูคนตีพึ่งเนี่ยบาลก็ถือหนังกระติกไปด้วยนะไปแบบมีศีนนะ่ะเขาถ้าเจอตัวจะยิงหัวกระ บ, บาลเลยจะได้รู้ว่าใครหัวแตกฮนะเดี๋ยวไปตามมาทีหลังก็บอกกับปลาเฮ้ย hey, ทำไมเจอตัวแล้วไม่ชาร์ตก็ไปจับมันเลย ก็เห็นคาหนังคาเขาอยู่สแสดงเหม็นแปลกเลยอย่าไม่พรารูปหนึ่งประเภทที่ไม่ไม่เข้าหาเพื่อนแล้วก็เดินจงกรมอยู่คนเดียวก็ไม่เข้าหาเพื่อนนะผมเลอตมาก็ไปดูไปดูไปดูปดเอก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอเพื่อนคนอื่นไปดูเพื่อนคนอื่นไปดูเขามีอาการเขาอ า, าการ จนท้ายสุดนี่เขาก็สแสดงอาการก้าวล้าขนาดหนักนะแต่ก็แปลกจังหวะที่ผมไปและอาตมาไปไม่ไม่เป็นอาการไม่ออกอาการสักตีจนท้ายสุด 3-4 ี่ทุ่มก็ต้องล้อมจับกันเพราะว่าอออาการขนาดหนักเลยส่งเสียงเอแล้วก็ทำให้คนหลายคนตกอกตกใจ อาจารย์วชัใก้อีกหลายๆรูปไปชาร์จจับกันเขาก็เรียกว่าเหมือนกับต่อสู้กันเลยว่ากันน่นนะจนจับแล้วก็เอาส่งไปโรงพยาบาโลโรคปาะสาทเนี่ยอันนั้นหมายถึงว่าเราจะต้องมีกลัลยาณมิตรและมีโยนิสง ส, ส, สิการให้ดีๆรูปแบบปฏิบัติก็จะต้องเรียกว่าศึกษาจนเข้าใจการเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกตรงเนี้ยมันทํำยังไง การพลิกมือสร้างจังหวะรู้สึกตัวยกขึ้นไปรู้สึกตัวมาที่สะดือรู้สึกตัวนะอย่างนี้มันทํำยังไงแล้วก็วางกายวางจิตวางใจของเราแห่นพอดีนะทำยังไงก็ต้องเฝ้าสังเกตตัวเองนะบางทีอาจจะมีเหตุปัจจัยชวนหลงมากมายเหลือเกินเช่นยกใหม่นี้สิ่งที่หลงที่สุดก็คือโนะทรศัพท์มือถืออันนี้ต้องระวัง บางทีมานมาทางโทรศัพท์มือถือนี่แหละมาทั้งหลายทั้งปวงชวนให้เราออกจากกรรมฐานจะเกิดความสึกรุ่มร้อนขึ้นมาจากเรื่องราวต่างๆอย่างวันนี้ก็มีพระอยู่รูปหนึ่งท่านก็เดินจงกรมอยู่ดีๆเกิดอารมณ์แต่ว่าท่านก็ถือโทรศัพท์ผมก็บอกเออถ้าเดินไปโทรศัพท์ไปนมันก็จะไม่ได้ประโยชน์หรอกนะให้เดินแล้วก็ใส่ใจกับความ ร, รู้สึกตัว เราก็เป็นกลัลยาณมิตรบอกกันด้วยความปรารถนาดีจะได้เดินทางละัดะะสั้นๆแล้วก็ไวหลวงปเทียนก็บอกว่าถ้าฝึกความรู้สึกตัวนั่งสร้างชังหวัเดินจงกลมต่อเนื่องจะรู้ธรรมะได้อริยะชั้นต้นเลยนะอย่างน้อยๆก็คือหนึ่งวันถึง3เดือน90วัน อย่างกลางเลยนะหนึ่งปีช้าสุดไม่เกิน3ปีท่านว่าอย่างนั้นแต่ว่าในพระไตรปิฎกพระนอนจำได้พุทธองค์ได้พูดไว้ว่าเจ็ดวันเจ็ดเือน7ปีคนที่บำเพญ็ญจิตตภาวนาหรือว่าบำเพ็ญเพียรอย่างถูกต้องช้าสุดไม่เกิน7ปีหลังจากพระองค์ ที่ค้นหามา6ปีบำเป็นทุกข่กาคุริยาเข้าฌานจะมาบัตรสลัพพันเลยอารามกรดาบทสอนอุทุกดาบทสอนได้จะมาบัตเ7แล้วก็สมาบัตแ8จนครูบาอาจารย์บอกว่ามาช่วยกันสอนดีกว่า <Yeah. S 1> จะใชา้ศีรษาขนาดนั้นก็บอกยังทุกข์อยู่เลย ยังคิดถึงพิมพาคิดถึงลาหุน้นะคิดถึงการเป็นกษัตริยนะ์คิดถึงปลาสาสารูาร้ดนะูมานั่งโคนไมยุงกกัดนะฝนตกกระเปียดสารพัดนะแดดออกก็ะร้อนลมนะพัดมาอ้าวเลยนะเวลาหน้าร้อนนะบำเพ็ญทุกขากิริยามานะอาหารก็ไม่ไม่ฉันเลยนะที่แรกก็ฉันข้าวอยู่หรอก ข้าวสาลีปาจตีตอนหลังนี้เด็กชายสวัสด์เอานมมาให้ในชั้นข้าวนางสุชาดาอย่างี้นะแต่ก่อนหน้านะั้บำเพ็ญทุกข์ขายาอย่างหนักเนละผอมโซกดหน้าท้องนี่ไปถึงหลังเลยกดข้างหลังนี่มาถึงหน้าท้องเลยที่ทำดงคาิลิท้ายสุดนีน่ไม่ใช่ ก็คลายตัวเองออกมาเอาใหมา่เอาให ม, าเามา่เริ่มต้นใหม่ได้ยินปินสามสายตึงไปมันก็จะขาดหย่อนไปก็ดังไม่พราะมัจิมาปฏิปทามันมีอยู่ทางสายกลางท่านก็นเลยเริ่มต้นใหม่เอาใหมา่เอาใหมา่ปรากฏว่ามันเป็นเดือน6ขึ้น15พาข้ามยาม3มาิเาท่านบรรลุทาง รรลุอนุตลาสัมมาสัมพวิยานยามสามนีนั้นยังมีกลิ่นไออยู่ได้เพราะที่นี่วัดป่าสุตโตนะเราเข้าถึงตัวสติกันแบบละลับชั้นๆเลยตอนเนี้นั่งรู้สึกตัวได้เลยลมหายใจที่มันมีอยู่ที่ปลายจมูกเรียกว่าอาณาปานสติถ้าเรามองเห็นบางคนบางท่านถ้ามองมาตอนนี้อาจจะเห็นพระบางรูปเคลื่อนไหวมืออยู่อันนี้แบบ หนึ่งใน5วิธีที่สามารถเผยแพร่ได้ทั่วโลกอีก4วิธีคืออะไรบ้างกัน <c oughs> บันนี้ยังไม่บอกแต่ว่าอันนี้ก็คือหนึ่งใน5วิธีที่มหาเถรรัสมาคมท่านรับรองอยู่ทำไปเถอะไม่ผิด <c oughs> เอกลักษณ์อัตลักษณ์วนะัดป่าสตโต ส, สถาบันสติปฐานเราฝึกสติกันแบบแนวเคลื่อนไหวเพื่อที่จะได้ไปเห็นนะ จิตที่มันเคลื่อนไหวก็มันตลอดทั้งวันเลยเวลามันคิดเนี่ยมันเคลื่อนไหวอยู่เราก็สามารถปฏิบัติธรรมเดิตั้งแต่ ต, ต, ต, ต, ตื่นยันหลับการฝึกวิธีการเนี่ยนะเราอ้างไม่ได้เลยว่าไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเราสามารถที่เคลื่อนไหวแล้วก็มีความรู้สึกตัวได้ทั้งวันจะทํางานทําการทําอะไรก็เป็นการปฏิบัติธรรมนีมันดีขนาดนี้เด็กๆสามารถนําไปเรียนหนังสือ หยิบยังลบ ป, ปากกามารู้สึกตัวก็เป็นการปฏิบัติธรรมยืนเข้าแถวอยู่ที่หน้าเสาธงเดินเข้าห้องเรียนเป็นการเดินจงกรงก็เป็นการปฏิบัติธรรม <Yeah. S 2> ขณะเรียนก็ตั้งใจฟังครูสอนตาดูหูฟังสมองคิดจิตใจจดจ่อไม่เข้าใจก็ถามครูครับครูขาถามทันทีกลับถึงบ้านกระทบทวนอยู่เสมอได้ทั้งวิชาการทางโลกสมองได้อาหาร มีข้อมูลความรู้จิตใจก็ได้ฐ า, ารทางจิตก็มีสติมีสมาธิปัญญาไปเรียนสนุกไปเลยดีไหมได้ทั้งคะแนนได้ทั้งสติได้ทั้งปัญญาก็คือทะเลาะกับเพื่อนเราก็ไม่ทุกเงี้ยเพื่อนมากรอดกับเราเงี้ยเราก็ไม่กรดเพื่อนเพื่อนไม่รักเราเราก็รักเพื่อนเงี้บนไหนแม่บ่นไหนว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีสติโยรู้สึกตัวจิตเป็นปกติโยงี้พอแม่ทะเลาะกันเรารู้สึกตัว บอกพ่อบอกแม่เลยนะพ่อพอรู้สึกตัวพ่อ พ, อพอมีสติแม่แม่มีสติเป็นกรรมการห้ามพ่อห้ามแม่เด้วยวยไม่ต้องทะเลาะกันนะโอ้มันจึงดีนะไปดวัดทำนะเนาะวันนี้ก็เห็นว่าบรรยากาศเป็นอย่างนี้นะก็เลยบอกกล่าวเล่าสิบให้พวกเราได้ยินได้ฟังกันโนะดยเฉพาะเรื่องของเวลาเราปฏนะิบัติในม่จฉาเนี่ยนะี้มันรู้รูป ร, รู้นามเราจะว่ายังไง มารู้ทันความคิดเห็นความคิดราจะว่ายังไงมารู้จักบุญจักบาปรู้จักนรกนรู้จักสวรรค์เห็นคุณเห็นโทษได้ประโยชน์ต้นประโยชน์ท่านราจะว่ายังไงมารู้จักสมถะและวิปัสสนาเป็นยังไงโอ้ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองไปทางฝ่ายดีมันเกิดสุขสวยรวยดีแล้วเห็นความจริงของชีวิตนตรงนี้มันต่อมีเงินร้อยล้านพันล้านก็น เามาซื้อจุดนี้ไม่ได้หรอกนะมันเป็นความสุขเสษมสารนะมันเป็นความสุขที่อยู่ภายในจิตใจของเรานะในตัวเราเราสามารถที่จะเข้าถึงได้ตลอดเวลาเดีย๋ยวนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราทุกคนทุกท่านนะใครที่มีศีลยังไม่มาขอให้มาอยู่ในอาวะแห่งนีนะ้ที่มาแล้วขอให้อยู่มีสุขมีสุขเป็นสุขเป็นสุขนะก็ขออย่ายให้มีภยัยนะ หรืออะไรก็บอกกั น, น, นต้องการให้ช่วยอะไรก็บอกกันนะก็ขอให้พวกเราทุกคนนะอยู่กันบันญาติมันพี่มันน้องแล้วก็เดินทางไปสู่นะที่สุดแห่งกองทุกนะก็คือพานิพานโดยทัวน้กกันทุกท่านทุกคนทันเติรน